พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงประทานสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วขราบดีท่านพึงข่มขีพวกโมคะบุรุษคําว่าโมคะบุรุษก็หมายถึงบุรุษเปล่าหรือคนที่ไม่มีประโยชน์โดยพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักข่มขีบุคคลผู้เป็นโมคะบุรุษเหล่านั้นให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยการที่สมควร โดยชอบรมอย่างนี้และต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงแกนานาธา่ธนนาถปิฎกเศรษฐีให้เห็นชัดให้มีความถือมั่นอันดีให้อาจหารราเริงด้วยธรรมีกถาธนนาถปิฎกเศรษฐีกรั้นได้ฟังธรรมีกถาแล้วจึงกราบถวายบางโคมลาและกระทำประทักษิณแล้วกลับไป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 ให้เป็นการข่มขีด้วยดีโดยชอบธรรมเหมือนกับท่านอนาถบินิกะเศรษฐีข่มขีแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาเรื่องที่ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีได้สนทนาปราศัยแล้วก็ทําให้พวกอัญญะเรตีเข้าใจความเป็นไปในพระพุทธศาสนาก็เหมือนเป็นการข่มขีว่าสิ่งที่ผิดเป็นอย่างนี้สิ่งที่ถูกเป็นอย่างนี้คือชี้แจงให้เขาเข้าใจ เขานี้ากล่าวถึงท่านอนาถามีนติกาเศรษฐีที่นับว่าท่านเป็นมีผู้วาจาสัตย์และก็เป็นวาจาของพระริยะย่อมเป็นหนึ่งโดยมีเรื่องอยู่ในอัตถกถาคัมภี์มโนรัะปุรณีที่ขยายความบาลีมาตาสุตรคัมภีร์อังคุตรนิกายสตตกนิบาตและในอัตถกถาคัมภีร์ปรปันจสุทนี ที่ขยายความบาลีรัฐวินีตสูตรสูตรว่าโดยข้อเปรียบเทียบด้วยรถเจ็พลัดคำพีมัชฌิมนิกายมาูลปณานตแต่ในที่นี้จะขอกล่าวตามข้อความในอากถาคำพีมโนรัฐปุรณีว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาปรนาแล้วทรงให้พระอัครสาวกทั้งปวง อยู่ที่วัดประเชตวันมหาวิหารโดยพระองค์เสด็จออกจากวัดประเชตวันมหาวิหารส่งมูม้าจะเสด็จจาริกไปในทักกินาคิริชนบทพระเจ้าประเสนทิโกสลธนานาถบิติกเศษีตลอดถึงมหาวสิกาวิสาขาและบุคคลอื่นอีกเป็นจำนวนมากต่างไม่สามารถที่จะกราบทูลรัตนาพระบรมศาสดาให้เสด็จกลับได้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 พนานาถบีติกะเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วปุณณาสีโดวยว่าพระบรมศาสดาเสด็จออกไปสู่ที่จาริกแล้วเราไม่สามารถที่จะกระทาให้พระองค์เสด็จกลับได้ทั้งยังไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จกลับมาเร็วหรือไม่เพราะเหตุนั้นเราจึงนั่งครุนคิดเสียใจอยู่ในที่นี้นี่แหละ นางปุณณาสีเรียนถามท่านอนาถวิตริกาเศรษฐีว่าข้าแต่นายเจ้าขาถ้าหากดิฉันกราบทูลให้พระบรมศาษษสดาเสด็จกลับมาได้แล่วท่านจะทําอย่างไรแก่ดิฉันเจ้าคะท่านอนาถวิตริกะเศรษฐีตอบว่าปุณณาสีเราจะทําให้เจ้าเป็นไทยคือพ้นจากความเป็นทาสทันทีนางปุณณาสีจึงไปหมอบ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 และพระองค์เสด็จกลับโดยเพียงย่างพระบาทไปเพียงก้าเดียวเท่านั้นทางนี้เพราะความเคารพในธรรมะสมจริงดังที่มีพระพุทธดำ ร, รัสว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายตถาคตเคารพในธรรมะมีธรรมะเป็นที่เคารพพระบรมศ า, ศาสดาได้เสด็จกลับเข้าไปวัดพระเชตวันมหาวิหารมหาชน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 นำอมริทก็คือนำทิพแล้วเรื่องของนางปุณณาสีที่สามารถทําการได้สมเด็จสมเจตจำนงของท่า น, นาถาปิติกะเศรษฐีแล้วนางได้รับผลตอบแทนเกินค่าโดยมีข้อความอยู่ในอัถกถาคำพีปปัญจสูเทนีที่พิสดารออกไปว่า ทนานาถวาาิริกาเศรษฐีได้ฟังทิ้งความสามารถของนางปุณณาสีแล้วคิดว่าเขากล่าวกันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับมาเพราะนางปุณณาแล้วท่านเศรษฐีอนุญาตแก่นางปุณณาให้พ้นจากความเป็นทาสแล้วได้ตั้งนางไวในฐานะเป็นลูกสาวอีกด้วยนี่ก็เป็นอันว่า ท่านอนาถบินติกาเศรษฐีได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับนางปุณธาสีว่าถ่าหากว่าเธอสามารถกลาบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับได้จะยกให้นางพ้นจากความเป็นทาสแต่ผลที่สุดนางปุณธาสีก็ได้กําไรนอกจากพ้นจากความเป็นทาสแล้วนางยังได้อยู่ในฐานะ เป็นลูกสาวของท่านอนาถาบินติกาเศรษฐีอีกด้วยนี่ก็แสดงว่าสัจวาจาของพระอริยบุคคลพูดคําใดเป็นคํานั้นไม่มีการปักกรอกหลอกลวงให้หลงเชื่อเหมือนกับปุถุชนคนที่มีกิเลสนาการเป็นคนมีความจริงใจต่อเพื่อนของท่านอนาถปาิฎิกะเศรษฐีโดยท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนของท่านผู้มีความหลงผิด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 และผ้าพ่อนเครื่องลุงหกทั้งหลายแก่พระพิสุสงฆ์แล้วท่านเศรษฐีก็นั่งลงในที่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม้พวกสาวกของอัญญะเดรถีเหล่านั้นเมื่อกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วได้นั่งลงใกล้กับท่านอนาถปิฎิกะเศรษฐีพวกเขามองดูพระพักของพระพุทธเจ้าที่งามสงา่าอันประกอบด้วยสิริ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 ออกวนเวียนเป็นคู่คู่พระบรมศาสดาได้ตรัสธรรมกถาคือถ้อยคำที่กล่าวถึงธรรมอันภัยร่ะวิจิตโดยในต่างๆด้วยพระสุรเสียงเปรียบดังเสียงพรมที่สมควรชวนฟังประกอบด้วยองค์8ประการเหมือนกับราชสีรุ่นหนุ่มบรรลือศีหนาฏอยู่ณนะพื้นมโนศิลาเหมือนเมฆฝน ที่มีฟ้าคำรามเหมือนเทพเจ้าบรรดาลให้ฝนตกและเหมือนการร้อยกรองพวงแก้วพวกสาวกของอัญญะเดรธีเมื่อได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วต่างมีจิตใจเลื่อมใสจึงลุกขึ้นถวายบังคมพระพุทธเจ้าบอกเลิกนับถืออัญญะเดรธีเป็นสรณะคือเลิกนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึก และได้ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกสาวกของอัญญะเดรถีเหล่านั้นต่างถือดอกไม้และมาลัยเป็นต้นพากันไปที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพร้อมกับท่านนาถาปิฎกเศรษฐีได้รับฟังพระธรรมถวายทานรักษาศีลและธรรุโบสถกรรทธอยู่ตลอดการเป็นดิ การต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากเมืองสาวกถีไปเมืองราชเครือในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วพวกสาวกอัญญะเดรธีที่นับถือพระรัตนาตรัยอยู่นั้นได้พากันเลิกนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะและหวนกลับมานับถืออัญญะเดรธีเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกใหม่อีกโดยพวกเขา ได้ประพฤติอยู่ในฐานะเดิมของตนที่เคยนับถืออัญญะเดรธีมาก่อนนั่นพระพุทธเจ้าเสด็จจากไปประทับอยู่ที่อื่นประมาณ7จถึง8เดือนแล้วพระองค์เสด็จกลับมาวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีอีกท่านานาถมินิกะเศรษฐีพอได้ทราบข่าวการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้าจึงพาพวกสาวกของอัญญะเดรธีเหล่านั้น ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกโดยท่านเศรษฐีบูชาพระพุทธเจ้าโดยของหอมและดอกไม้เป็นตน้นถวายบังคมแล้วจึงนั่งลงในสถานที่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพวกสาวกของอัญญะเดชะถีเหล่านั้นก็พากันกราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งธนนาถบิิกะเศรษฐีจึงกราบทูลพระพุทธเจ้า ถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นเลิกนับถือพระรัตนาตรัยในเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในสถานที่อื่นแล้วพวกเขาจึงหวนกลับไปนับถืออัญญาดรธีเป็นชนะคือที่พึ่งที่หลาลึกอย่างเดิมอีกพระพุทธเจ้าทรงสดับเครื่องนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระสุรเสียงอันไพเราะเปรียบดัง เปิดผ้าอบแก้วที่เต็มด้วยของหอมมานาประการที่เจือด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ทั้งหลายด้วยพระอนุภาพวจีสุจริตที่พระองค์ทรงบําเพ็ญมาเป็นนิทนิรันดรตลอดกฎกับที่นับประมาณไม่ได้พระองค์ตรัสถามว่าลูกก่อนอุบาสกแตถาคตได้ยินว่าท่านทั้งหลาย เลิกนับถือพระไตรสราณาคมแล้วกลับไปนับถืออัญญะเิรธีเป็นชนะคือที่พึ่งที่ระลึกจริงหรือกรันพวกเขาไม่สามารถจะปิดบังอำพรางได้จึงกราบทูลตามความเป็นจริงว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายว่าดูก่ อ, อุบาสกทั้งหลายขึ้นชื่อว่าผู้เช่นกับพระพุทธเจ้าโดยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นย่อมไม่มีที่กำหนดเบื้องล่างตั้งแต่นรกอเวจีเบื้องบนตั้งแต่พวัคขพรมคำว่าพวัคขพรมก็คือพรมชั้นสูงอยู่ในชั้นเนวสัญญานาสัญญาญตนะ และเบื้องขวางในโล ก, กธาตุก็หมายถึงแผ่นดินอันหาประมาณไม่ได้จะมีใครยิ่งกว่าจากไหนแล้วพระองค์ทรงประกาศคุณพระตนไตรที่ปรากฏในสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูตรทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์มีเท้ามากก็ดีมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ เขากล่าวว่าพระตถาคตเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทรัพย์คือเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกหน้าผู้เลื่อมใสแล้วในสิ่งที่เลิศและพระองค์ตรัสว่าอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามผู้นับถือพระธรรมตรัยอันประกอบด้วยคุณที่สูงสุดอย่างนี้เป็นสรณะ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 คือที่พึ่งที่ระลึกนับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรยิ่งอยู่ในเรื่องนี้เพื่อจะแสดงการที่สัตว์ทั้งหลายพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรระคือที่พึ่งที่ระลึกแล้วด้วยอำนาจโมกษะโมกษะก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสและอุดมคือสูงสุดไม่มีการบังเกิดในอบายคือสถานที่ที่ไม่มีความเจริญ ควรอ้างสูตรเหล่านี้คือเยเกจิ ji, พุทธังสระนังคาตาเสแปลว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นสระณนะคือที่พึ่งที่ระลึกชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิคำว่าอบายภูมิก็หมายถึงภูมิที่ปราศจากความเจริญมีสีได้แก่นรก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 ได้แก่ความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยอันได้แก่ตัณหาความดับทุกข์ก็คื อ, คอนิโรธและหนทางประกอบด้วยองค์8คํคำพระเรียกว่าอัสดางขิกมักเป็นหนทางอันประเสริฐที่ให้ถึงความระงับดับทุกข์ การถึงพระตนไตรเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันกเกษมคือปลอดภัยหรือสบายใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันอุดมคือสูงสุดเพราะเขาอาจหลุดพ้นจากทุกทางปวงได้ด้วยอาศัยที่พึ่งที่ระลึกนั้นพระพุทธเจ้ามิใช่แต่จะทรงแสดงธรรมแก่เขาทั้งหลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น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 ให้ได้อรหัตผลแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าชื่อว่าสาระคือที่พึ่งที่ระลึกได้แก่พระตนาตรายที่เธอทั้งหลายทําลายไปนับเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเลยอันหนึ่งการที่เหล่าสัตว์ผู้มีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมได้สำเร็จอริยธรรมมีพระโสดาปัติมภ์เป็นต้น ควรแสดงด้วยสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทำอันเอกที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบืหน่ายเพื่อความคลายราคะคือความกําหนัดในกามเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน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 ไม่ใช่สระณะมาแล้วโดยยึดถือความขาดคะเนซึ่งยึดถือผิดเป็นสระณะจึงต้องตกเป็นอาหารของยักษ์ในพ้นทางกันดานที่พวกอมนุษย์สิงสถิตยอยู่ได้ถึงความพินาศใหญ่หลวงมาแล้วส่วนพวกมนุษย์ผู้ยึดถือไม่ผิดพลาดดื้อทางที่ถูกทางเดียวก็ได้บรรลุถึงความสวัสดี ในทางที่ธระกันดานนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งดังนี้แล้วจึงทรงนิ่งเฉยอยู่ครั้งนั้นทนานาถมิลิกะเศรษฐีลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วถวายบางโคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูสลสระเสริญชมเชยและ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญการที่อุบาสกเหล่านี้เลิกนับถือสาระอันสงสุดแล้วมานับถือสาระด้วยความคาดคะเนโดยผิดข้าพระองค์ทั้งได้เห็นแจ้งชัดในบัตรนี้แล้วพระเจ้าข้ะแต่ความพินาศของมวมนุษย์ผู้ยึดถือด้วยความคาดคะเนในทางกันดานที่พวกอมนุษย์ สิงสถิตยอยู่และความสวัสดีที่มวลมนุษย์ผู้ยึดถือโดยไม่ผิดในการก่อนนั้นข้าพระองค์ทหลายมีความปรารถนาจะขอทราบ พ, พระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเล่าให้ท่านอาาถาบิดกะเศรษฐีและอุบาสกเหล่านั้นฟังแต่ในที่นี้จะขอนำมาเล่าแต่โดยโยความว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัต ทรงครองพระนครพาราณสีครั้งนั้นมีพ่อค้าสองคนคนหนึ่งมีกองเกวียนที่เป็นบริวารคนละห้าร้อยเล่มเกวียนพ่อค้าคนหนึ่งเป็นคนโม่เขาเชื่อถือโดยการคาดทะเนเอาว่าคงจะเป็นเช่นนั้นและครั้งหนึ่งเขานำกองเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าหญ้าน้ำเดินทางไปค้าขาย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 เคยได้เห็นแสงฟ้าแลบบ้างไหมและเคยได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่ามีหรือไม่นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีฝนตกหรือไม่มีและพ่อค้าผู้ฉลาดยังสั่งอีกว่าถ้ามีใครมาบอกให้รีบบอกให้เรารู้ด้วยพักที่ไม่เคยรับประทานถ้าพวกท่านไม่รู้จักให้ถามเราก่อน ด้วยกลัวว่าจะรับประทานผักที่มีพิษเข้าไปผลปรากฏว่าเมื่อพ่อค้าผู้ฉลาดสามารถนากองเกวียนบริวารประมาณ500รอยเล่มเดินทางข้ามทางธุรกันดาลไปได้โดยปลอดภัยยักษ์ที่ผู้จาหลอกลวงพ่อค้าผู้โง่เขลาที่ออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนไม่อาจผู้จาหลอกลวงพ่อค้าผู้ฉลาด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 และพรหมโลกสมบัติในสวรรค์ชั้นกามาวจรกามาวจรก็หมายถึงยังท่องเที่ยวไปในกามภพหกประการแก่อุบาสกเหล่านั้นแล้วในที่สุดตรัสถึงทางที่ปฏิบัติไม่ผิดคืออรหัตผลหมายถึงผลของความเป็นผู้ใกลจากกิเลสตรัสถึงปฏิปทาคือทางดำเนิน ที่ให้เกิดในอบาย4และเกิดในสกุลต่ำหว่าเป็นทางปฏิบัติที่ผิดและพระองค์ทรงประกาศอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐ4ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอริยสัจว์4ประการจบแล้วอุบาสกทั้ง500คนเหล่านั้นได้สำเร็จพระโสดาปติผลเป็นพระอริยะบุคคล ชั้นต้นในพระพุทธศาสนาและอุบาศกเหล่านั้นไม่กลับไปนับถือลัทธิเดีรติอีกต่อไปนี่เพราะได้อาศัยท่านนาถบิติกาเศรษฐีเป็นผู้นำทางให้เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องราวที่ธ่นนาถบิติกาเศรษฐีเป็นต้นเหตุที่ช่วยให้สหายของท่านผู้เดินทางผิด กลับมาเดินทางถูกแล้วก็เป็นความถูกที่ช่วยให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากการจะไปตกนรกได้เพราะเมื่อท่านเหล่านั้นได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยก็เท่ากับเป็นการปิดประตูอบายแล้วท่านก็จะได้ก้าวเข้าไปสู่พระรยบุคคลชั้นสูงต่อไปท่านผู้ฟังครับชีวประวัติของท่านนาถาปิติกะเศรษฐี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 สวัสดีครับ